99รู้จักกรรมกรรมจัดกรรมเนคขมมาได้ก็เกิดฌานถ้าทำได้แม้แค่เพียงทำให้กรรมจางคลายลงก็จะเป็นฌานไปตามลำดับเป็นสัมมาฌานเป็นฌานลืมตาตามแบบพุทธแท้ทั้งเราทั้งเขา ร่วมรู้ได้หมดไม่มีอะไรปิดบงังไม่มีอะไรลับมีแต่ความจริงที่สว่างโจง้งครบตื้นลึกหนาบางครบครันไม่ใช่ฌานที่ทำในตอนหลับตาเข้าไปอยู่ในภพลึกลึกลับลับ งมอยู่กับฝันอันไม่เป็นความจริงที่เป็นสัจจะสัจจะที่เป็นความจริงนั้นมีสองก็ต้องมีครบทั้งสองคือทั้งสมมุติสัจจะและมีทั้งปรมัทิติสัจจะบริบูรณ์พร้อมทั้งนอกทั้งใน ผู้จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในสัจจะหรือความจริงก็ต้องเรียนรู้ทั้งรูปและนามของสมมุติสัจจะทั้งรูปและนามของปรมัตน์สัจจะองรวมของรูปกับนามซึ่งก็คือกายนั้น เมื่ออ่านเจาะวิจัยเข้าไปละเอียดละเอียดแล้วก็อ่านเข้าไปที่ความรู้สึกในองค์ประชุมของรูปกับนามวงเล็บกายนั้นนั่นแหละก็จะเห็นความรู้สึกของจิตเราเองขณะนั้นได้ว่ามีอารมณ์อย่างไรสุขหรือทุกข์เป็นต้น จากนั้นก็วิเคราะห์ในเวทนานั้นเข้าไปอีกอีกซึ่งมันก็คือจิตโดยรวมนั่นเองในอารมณ์ที่เราสเสวย อ, อยู่นั้นที่มันเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมันมาจากต้นทางแท้คือที่เป็นตัวการคือไม่ราคะก็โทสะ สราคาหรือสะโทสะแน่ๆเราจึงเกิดอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์ขึ้นได้เราก็จัดการกับเจ้าตัวเหตุสมุทัยอริยสัตว์ตัวนี้แหละให้ได้นี่คือการปฏิบัติธรรมเริ่มจากสติปัฏฐานสี พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสี่ข้อต้นของโพธิปักขิยธรรม37อันเป็นโรกุตระธรรม37ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิโดเล่ม31ข้อ620สิบ และปฏิบัติโพธิปักขียธรรมข้ออื่นๆจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นกลามและความเป็นฌานถ้ายังไม่เริ่มรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นกายอันเป็นจุดแรกของโลกุตรธรรมแล้ว ก็พิจารณาเข้าไปในกายเป็นก็ไม่เริ่มต้นเข้าสู่โรกุตรธรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสก็ไม่มีทางบรรลุนิพพานแน่ๆกระทั่งปฏิบัติแล้วอ่านกายเวทนาจิตทำได้ แยกแยะ ก, กายกับจิตเป็นแล้วจัดการอภิสังขารใจในใจเป็นกรมจัดเฉพาะอาการหรือส่วนที่เป็นอกุศลแท้ๆได้ถูกภาวะจึงจะเป็นสัมมาชานของพุทธจริงเป็นสัมมาสมาธิแท้ เป็นแนข่ขำมะเข้าถึงความเป็นเวทนาในเวทนา108ซึ่งเป็นฌานลืมตามีความจริงโดยเห็นปัตติมโนปวิจารสิบแและ36ที่เป็นจุดแจ้งสัจจิความจริงไคโลกิยะส่โลกุตระ ชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุด